กนรมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพะสูตน์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องสมาดับกสูรตรหรือว่าด้วยสถานะสามประการโดยความหมายของรูปศัพท์แปลว่าผู้เชิญชวนหรื อ, อการเชิญชวนวันนี้จากการสังเกต ในหลายวันวันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับงานการต่างๆหลายเรื่องอพบลักษณะอย่างหนึ่งก็คือการไปแบกไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆของคนอื่นมีการสัมมนากั น, นที่แห่งหนึ่งปรบสถานการณ์รุสานาในปัจจุบัน วิทยากรท่านหนึ่งขึ้นถึงก็ด่าพระเลยต่อระยะเวลาประมาณสักยี่สิบยี่สิบนาทีหรือแสดงให้เห็นเรื่องความหลงผิดเข้าใจผิดในประเด็นของศาสนาในการมองพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาแต่ที่จะมองระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เป็นส่วนเล็กๆ ในพระพุทธศาสนาพันธุนเด็กบางก่อนก็มีคนมาสแสดงความมีตกกังวลห่วงใ่มีหนังสือพิมพ์ด่าว่าพระอยู่ในปัจจุบันเอาเอกสารนองแฟ้มใหญ่เอยใช้อ่านบอกไม่อ่านหรอก ก็เตือนให้สติกแก่ไปบอกว่าโลกเนี่ยเ็ามีให้เหยียบนะมันจะมีให้แบกแถ้าแบกโลกแล้วเนี่ยมันจะหาความสงบไม่ได้หรอกหรือคนเราจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจะไปตามกระแสของสังคมบอกให้ลองเดินไปดูก็แล้วกันแต่จะให้มีคนติหมายความว่าก็ติได้ตลอด ่เช่นยกตัวอย่างการประกวดนางงามเด็ประกวดเอานางงามจั ก, กรวาลรือ ว, ว่าอะไรก็ได้คือจะให้ทุกคนตัดสินเนี่ยจะไม่มีคนได้หรอกพอตัดสินไปแล้วจะมีคนค้านตลอดโลกมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงรับสั่งแสดงว่า คนไม่ถูกนินทานั้นไม่มีในโลกเขไปติดใ จ, จสนใจใส่ใจก็ชอบก็พูดอย่างก็ไม่ชอบก็พูดอย่างวันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุนี้พูดอย่างหนึ่งม น, นุ่งพล่านนะครับแล้วเราจะไปมุ่งแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาคนานั้นต้องพูดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นเราแก้ไม่ได้เราแก้เฉพาะเรา จะคิดยังไงจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไงหรือไม่ต้องสูญเสียเวลาไปไปดูว่าใครทําอะไรว่าใครทําอะไรเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ดูว่าเราได้ทําอะไรและจะทําอะไรกำลังทําอะไรตัวนี้เราจะแก้ไขได้ทั้งหมดแม้แต่ที่ทําไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แตก่ก็กลายเป็นบทเรียนได้ เราจะทำอะไรนะั้นเราก็แก้ได้คือทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วกำลังทำอะไรอยู่ก็จะมีสติสัมป ญ, ญญาอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเป็นผลดีเป็นผลไม่ดีแก่เราโดยตรงก็เรียกว่าทำในเรื่องที่เราทำได้ไม่ไปบุ่นวายไม่เป็นแบบแม้แต่เราไปผู้ปกครองไปผู้ดูแลลูกหลาน รองพระสงฆ์สำเนนอะไรก็ตามนะฮะเป็นจับเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะเราก็ทำเท่าที่ทำได้เพราะสมัยพุทธกาลเองมันก็มีพระที่เอามาอยู่เยอะไปวกปวิดบัตรทัต์พราะันตามตามตามหลักแล้วเนี่ยท่านไม่สั่งสอนให้ แนะนำชวนชวนชักชวนให้ไปคอยจับผิดใครแต่ว่าให้มีการตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองตรวจสอบตัวเองดูแลแก้ไขดีตัวเองทีนี้ถ้าทําแก่คนอื่นในกรณีที่เราจะ ท, ำทํำต่อมับคนอื่นพระเจา้ากระส่งแสดงพระสูตรข้อนี้เอาไว้ที่เรียกว่าสมาธิปกสูตรนี รับสั่งแก่พระอนุนว่าอนุนถ้าหากว่าเธอมีความเมตตาอินดูใครแล้วใครคนนั้นอยู่ในวิสัยที่จะพูดจากันได้นะหรือแมั้นก็อาจจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นนมาฎเป็นเพื่อนฝูิกัน ก็ให้แสดงความเมตตาเอ็นดูด้วยการเชิญชวนชักชวนเขาให้ทาจิตใจเกิดสถานเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่นะะไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเองนะฮะมันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาตั้งแต่โบราณ เมื่อวันซื้อเนี่ยมันมันไปเจอคําคมเกินคาเ่ยแต่ว่ากันว่ามันสืบเนื่องมาจากราชการที่ 5, ห้าตอนสร้างพระบรมรูปตรงม้าเนี่ยนะครับจะมีคนเขียนสดุลดีประโยชน์ยอเยอะแยะแล้วเกินเนะีะ่ท่านบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้มันอิติปิโส ต, ตัวเอง ผมนะฮะคำนี้คืออ e ิติปิโสตัวเองเวเนียพวกอ e ิติปิโสตัวเองมันเยอะอิต e ิปิโสว่าด้วยเยังไงสรรเสริญพระพฤตคุณเวเนียแนวสรรเสริญตัวเองสรรเสริญพวกของตัวเองนม่มีอยู่จะพวกหนังสือแนวปลูกเสกทั้งหลายนะแนวแนวเนี้ยที่ดีเผยแพร่อยู่เยอะปัจจุบันเนี่ย ถ้าอ่านหนังสือนั้นแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยพระอรหันต์เนี่ยพวกอิติปิโสตัวเองอิติปิโสลูกศิษย์อิติปิโสให้เนี่ยเยอะเลยก็แนวตรงนี้ก็จะแวะตรงนี้อีกทีหนึ่งที่ไปไปอภิปรายเนี่ยนะไปสัมมนาสามวันเนี่ยคือเห็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นห่วงวันที่สามามาไม่ได้ไปแต่ก็โทรบอก ประทานในที่ประชุมไว้ว่าให้หาข้อสรุปให้ได้คือสัมมนาสื่อมวลชนพุทธที่จะร่วมมือกันทำงานพระพุทธศาสนาแต่เราสังเกตว่าแต่ละคนนั้นพกอาจารย์ใส่กระเป๋ามาหมดใครขึ้นผู้ก็เชียร์แต่อาจารย์ตัวเองไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้า ทุกคนก็เชี่ร์อาจารย์เหงอาจารย์ใส่กระเป๋ามาหรือว่าเป็นความคิดที่เป็นอันตรายไหมก็แนบปลุกเสกก็แนบอิติปิโสอาจารย์ตัวเองก็อิติปิโสมันขึ้นที่พระพุทธเจ้ามาทําประสงค์เท่านั้นเองนะะอิติปิโสขึ้นเฉพาะที่พระพุทธเจ้าแต่ได้โปรกเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเองแต่ว่าเป็น เป็นแบบฟอร์มที่เขามีมาตั้งแต่โบราณกาลมาความพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเจ้าชายิษยศรหรือไม่คือองค์ใดก็ตามเกิดขึ้นมาก็จะมีแบบฟอร์มอย่างเงี้ยในคุณสมบัติอย่างเงี้ยแม้แต่ประสีอ่านซึ่งเวลนี้ออกมาเป็นเครื่องมือหา ก, กินกันเยอะแยะถ้าท่านเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ย แล้ว่าอีกนานนะฮะประสีอานจะมาเกิดเราอีกเกิดอีกแสนชาติประสีอา น, นยังไม่เจอประสีอ่านนะฮะถ้าเจอก็เจอราสีอานแต่นั้นพระสีอ่านยังยไม่เจอเ<ม>ชิญชวนจักชวนให้เกิดศรัทธาลเลื่อมใสในพระพุทธพุทตัวนี้ท่านหน า, หายจะเห็นว่ามันไปสอดคล้องกับบทสันเริญของพระนากามีที่เคยยกเอาไว้ให้ฟัง หลายครั้งแล้วนะฮะเราเจอหลายครั้งลนะ้วก็บอกหลายครั้งพระนาคมีนั้นเป็นการเล่าจากประสบการณ์ตัวเองคือที่ได้สัทธาเรื่มใสแต่ของท่านมั่นคงนะในพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าชนทั้งหลายเราใดเหลดหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าวาเป็นที่พึ่งเจริญลึกถือคนเหลานั้นจักไม่ไปสู่อบายเลย ก็รากายที่เป็นมนุษย์แล้วจากจังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏมหมายความว่าถ้าถึงด้วยใจิตใจจริงๆเนี่ยอาอากจะได้ความสงบสุขในชีวิตปัจจุบันแล้วตายแล้วจะไปบังเกิดในสุกติด้วยใหความสุขสองระดับแม้พระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเช่นเดียวกันแล้เราเคยพบตัวอย่างบุคคลประเภทนี้ที่ที่ปุ๊บปั๊บนะฮะ ตนนัดสินว่าทำใจเริ่มใสนิดเดียวระยะสั้นๆไม่กี่นาทีแล้วก็ตายไปอย่างที่เคยเล่าถึงมัตะกุนทลีมานพบที่พ่อแม่เป็นคนต น, นีที่เหนียวมากไม่ยอมลูกป่วยเองก็ไม่ยอมรักษาเป็นการหนักเอามาวางไว้ที่ริมนอกจานบ้านบอว่าเป็นลูกตายคนจะมาเยี่ยมศพและจะเห็นทรัพย์สมบัติภายในบ้าน พระเจ้าเสด็จไปโปรดมัตตากุณตลีตอนนั้นก็เรียกว่าข้าวขั้นโคม่าแล้วนะครับเกือบคอโคม่าแล้วแม้จะมือจะยกขึ้นถวายบังคมก็ทําไม่ได้แต่ทําได้แค่ทําใจเลื่อมใสก็มองตามพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ตายก็บังเกิดเป็นเทพบุตรุลเรียกว่ามัตตกุนตลีเทพบุตร หรือแม้แต่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องนางสาวเมาดีนานแล้วน า, ายไล่กันดีเรื่องสุนัขที่อดีตเป็นนายโกกาลิกมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มีใจผูกพันอยู่กับพระประเจกับพุทธเจ้าตามรับตามส่งพระประเจกับพุทธเจ้าอยู่เลยตอนพระประเจกับพุทธเจ้าจะไปทําจีวรที่คันธมาศแก่ก็เสียใจ อาหอนส่งพราะปะเจกับพระพุทธเจ้าจนรับสายตาไปหัวใจก็แตกตายแต่บางเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรดี๋วยวหญิงจันธานอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าตามเสด็จ้ไม่ใช่พระโมคคัลลานาตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปหญิงจันธานยืนตัวสั่นกำลังจะล้มกำลังจะตายพระโมคคัลลานะก็เข้าไปใกล้ๆบอกยายนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเดินไป ย่าจงทาใจเลื่อมใสถวายบังคมพระพุทธเจ้าแต่ก็เชื่อนะฮะทําใจเลื่อมใสถวายบังคมก็สูดวัวลงไปก็ตายตายด้วยใจที่กําลังเลื่อมใสแล้วก็บังเกิดในสุคตินิดนะเดตะเระจะเห็นว่านิดตนั่นแหละและบางเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันไม่ยังไม่ได้ทําเลยท่าไป เดินถือดอกไม้เพื่อจะไปบูชาเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าตามันพุ่งไปที่เจดีย์เท้าไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูที่เท้าก็ถูกงูกัดตายตยังไม่รู้สึกจนพิษงูแล่นเข้าไปแรงใจก็ยังมุ่งอยู่ที่เจดีย์แต่ป้ายไม่ถึงฮะก็าตายไปก่อนแต่ใจมันถึง กายยังไปไม่ถึงจริงแดใจถึงก็ไปแล้วก็บังเกิดเป็นเทพติดาตัวอย่างในแนเนี้มีเยอะในพวกวิมานวัตถุในรปสูตที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ว่าข้อที่ ท, ที่รับสั่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนใดที่พอพูด ก, กันได้เม่การต้องพูดไม่ได้ผมก็ไม่จะหวยัวยงไง แต่ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะพูดกันไม่ได้หล้วแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเครือญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นวงศาการญาติเป็นเพื่อนฝูงอเราก็ทําหน้าที่ของเราก็จาจีจำใช่ว่าไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้ทําหน้าที่ของเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เราก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนฝูงกับบุคคลเราเ การเฉลิมฉลจากส่วนนั้นเราอาจจะใช้ได้หลายหลายวิธีอย่าลืมว่าทุกๆวิธีเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทางนั้นเน่เหมือนกับบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่อาคารประทานทีทุกขั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่าปติสเสดขั้นใดขั้นหนึ่งน่ะทุกขั้นมันมีประโยชน์เท่งนั้น เป็นวิธีการเชิญชวนชวนท่านหึ่งชายเทยะบางทีก็เชิญไปดูไปชมเฉยๆ ไ, ๆไม่ไม่ไม่ไม่ต้องทำอะไรก่อ น, น, ะนะเชิญไปดูไปชมเฉยๆหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้ฟัง น, นำภาพนำอะไรมาให้ดูหมายความมาสื่อด้วยตาหูจมูกนะฮะตาหูใจเป็นหลัก่ะตาหูใจเป็นหลัก เป็นการเพราะเชื้อความศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธเจ้าคือจนกว่าจะจับตรงใดตรงหนึ่งได้ตะแ่งแต่ผู้เราส่วนใหญ่มันมีเชื้อตรงนี้อยู่เชื้อความศรัทธาเรื่องใสในพระุทธเจ้าอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าคือทำยังไงจะเพิ่มผูในมากยิ่งขึ้นเพราะไรเพราะว่าจะมาสังเกตมา น, นานแล้ว แลสมมาผูพุทธสมาคแมแห่งประเทศไทยเนี่ยฮะดูโดนามาเสกใหญ่เอาสองครั้งเลยแม่เดนิมนต์หลายเปียเวลาเขาประชุมทุกครั้งของพุทธรมาคแมแห่งประเทศไทยทุกคนขึ้นด่าพระบรรเลงเป็นลูกระนาดเลยเป็นชั่วชั่วโมงฮะทุกคนขึ้นด่าพระหมดเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดมีอมาคนเดียวกล้าพูด มาคือก็เลยเสกสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมเหมือนกันนะ่ะไปเจอที่วัดอัมพวันดีเนี่ยสมเด็จพระพุทธจิตนาวงเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสมเด็จท่านบอกเอาอย่างงั้นเถะบอกต้องเอาอย่างเงี้ยท่านพวกนี้ไม่รู้สึกมันศาสนามันเรื่องต้องช่วยกันไม่ใช่มาถึงมาฆ่าทหารแล้วบอกว่าไปท้ารกกว่าคนอื่นมาถึงฆ่าทหารในหมดเราไปท้ารกกว่าคนอื่นมันเรื่องอะไรอ่ะเออมันช่วยกันทํางานสิ ไปเล็งผลเลิศคกล้ๆกับพระกายสิทธิ์เปิดปุ๊บติดปั๊บมาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะแล้วตัวเองก็มีหน้าที่ที่จะทำงานตรงนี้ประชุมหลายปีนะฮะหลังจากถูกมาอบรมปฏิวัติอัมพวันขนานั้นทีเงียบชีอยู่ในห้องไวสุดนี่เสียดายเทพนั้นข่าวว่าเก็บกันใหญ่โคตรอัดไปเยอะฮะตามล่ากันเนี่ยแล้วก็ไปทีอ่ที่ลบบุรีเอาอีกละ เอาอีะเอาอย่างนั้นอีกละอีรอบเดิมมาพุทธสมาคมประชุมกี่ครั้งให้ไปอ่าเทปมาแต่เหมือนกันนะฮะโดยเนื้อหาเลยเหมือนกันคือมีหน้าที่ด่าพระกระสั่งพระให้ทํางานอย่างงั้นทํางานอย่างนี้ทํางานอย่างโ น, น้นถามว่าคุณทําอะไรไม่ฮนะประชุมด่าพระแค่นั้นเด็มันนอกเรื่องกันอกเรื่องมากมากๆเลยเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยคือทํายังไงมาเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้ทําให้เกิดคลายศรัทธาเลื่อมใส ทำไมพูดเฉพาะเรื่องที่พระไม่ดีทำไมไม่เอาพราะที่ดีๆมาพูดพระดีเยอะไปนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาพูดเฉพาะพระที่ดีๆพระพุทธเจ้าเอาเอาคนที่ดีๆเนี่ยมายกย่องเป็นอติตตทักข์ก็ไม่ดีก็ว่ากันไปก็แก้ไขกันไปแก้ไขได้บางไม่ได้บ้างมันไม่ดีเนี่ยนฮะของไม่ดีของไม่ดีดจะทําให้ดีได้หมดมันก็แสดงเป็นของดีแต่นั่นเด็กเนทําได้ด เพราะสิ่งนี้สอนให้คิดแ่เราลองสังเกตว่ามันไม่มีจิตที่จะเบี่ยงเบนออกไปนอกทางแต่ว่าทำยังไงว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศรัทธาใช้ทั้งปัญญาเพราะเรื่องบางเรื่องมันสุดวิสัยที่เราจะไปอย่างรู้ได้เราก็ใช้ศรัทธาเอาบางอย่างมาใช้ปัญญาได้ง่าย แต่ว่าเรามีปัญญาพอในการคิดหรือไม่แต่เราคิดไม่ทันเราก็ใช้ศรัทธาเอาคือเราจะ ต, ต้องจับหลักหลักใหญ่นะของการเป็นพระยาบุคคลระดับต้นคือพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันก็ไม่ห่างกันเราเท่าไหร่นะฮะพระโสดาบันในฐานของท่านมันมีสามฐานเราจะมองจะตรงไหนก็ได้ถ้าเรามองฐานศรัทธา ท่าก็ศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุธธะทธเจ้าวิธรรมพระสงฆ์ในตรสิกขานั้นคือศรัท ธ, ธาธรรมปัญญามีไหมตรงนี้ก็มีนะแต่เป็นปัญญาที่เห็นประจักษ์เห็นประจักษ์หมายความยังไงฮะหมายความมัาคล้ายๆกับเขาส่งป้ามาส่งของนี้ให้เรากินเราเชื่อคนนี้เลยเรากินเลยเราสัมผัสรส พการสัมผัสรถเนี่ยที่จริงสัมผัสตรงเรากินแต่เรากินเพราะความเชื่อความเชื่อคนที่ให้ให้สิ่งนั้นมาการประสรดาบันจึงมั่นคงในในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตรีขาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามในพระสรดาบันไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สองนั้นมองในแนวปัญญาก็เรียกทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็น ประโสดาบันนั้นไม่มีความเห็นผิดเคยจะชักชวนโน้มน้าจิตใจยังไงก็ตามนะฮะอาตมาน้อยใจว่าคนระดับสมาคมพุทธอนุตตราจารย์ชิงไห่ชื่อมันก็ไม่น่านับถือแล้วอนุตตราจารย์มาอนุตรโรบริสัดำมสารถินึกออกกเปล่ามันชื่อเท่าพระพุทธเจ้าใหญ่โตขนาดไหนเป็นชาวยวนมาอยู่ไต้หวัน ตอนนี้มาล่านาเนโคมเมืองไทยเยอะแยะมาลูกน้องประสีอานมาจับไต้หวันทั้งสามชุดเปเนี่ยมาล่านาเนโครย็นเมืองไทยคือคนคนคนไทยเนี่ยไม่ได้มองว่าเราเนี่ยศาสดาในโลกมีองค์เดียวที่ศัสรู้คือพระพุทธเจ้าะนะเราไม่มีใครศัสรู้หรอกอ้างอะไรก็เถอะอ้างประสีอานสีเอิญมาพระสีอานศัสรู้ไม่ได้หรอกเมื่อมีพระพุทธศาสนาอยู่ ตรงนี้ถ้าคนเรามีปัญญาพอเราไม่ตกเป็นเครื่องมือเล้วนะครับแต่ว่าท่านลองสังเกตว่เาเมื่อประมาณห้าหกสิบปีที่แล้วเนี่ยมีโล ก, กันนาธทิกษุโล ก, กันนาธชาวอิตาลีเคยอ่านนะฮะอ่านประวัติศาสตร์ตอเนี้ชื่อมึงก็ใหญ่เกินเหตุแล้วนะโล ก, กันนาธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกคือโล ก, กันนา มีคนยังตามมาเยอะเลยนะฮะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านไม่ชอบชื่อท่านไม่ยุ่งด้วยเลยไม่ยอมเสวนาด้วยไม่ชอบแค่ชื่อกันเดีวยวชื่อมันก็ยิ่งใหญ่อวดดีเกินไปแล้วโลกกันน่าเป็นที่พึ่งแห่งโลกตระนันมังสวิรัตมานะฮะมังสวิรัตคนตื่นเต้นกันใหญ่เนี่ยมีคนติดตามกันไปเดินออกทางพมา่าเนี่ยไปเข้าวังกาลาเจเข้าอินเดียสมอยนะั้น นั่นเพราะไรเราเห็นนะชัดเราขาดศัทธาไม่ใช่โราขาปัญญาปกาดปัญญาในการคิดในการพินิษพ์ปัญญาในการเทียบเคียงชาวอิตาลีนะฮะฝรั่งชาวอิตาลีโกหนัวขึ้นทีเดียวเป็นกายสิทธิ์ไปเลยอีกประการหนึ่งก็คือมองจากการสายการละทิฏฐิไม่ใช่การละกิเลสปโสดาบันละกิเลสอย่างที่บอกว่า ละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเผาความเครือบแค่งสงสัยแล้วก็ถือมั่นด้วยยีละปัตตรมาต่างๆคือข้อปฏิบัติที่ไม่ข้อยุติโดยเหตุผลในความดีเนี่ทีนี้การการใจให้เกิดความรู้และเกิดความเริ่มใส่บางทีก็นำให้ดูนำไปดูไปไหว้พระอะไรอะไรต่างๆเนี่ยนำไปดู แล้วบางทีก็คุยให้ฟังเล่าอะไรก็ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ตรงนี้เราต้องรู้นะแล้วก็ต้องรู้จริงบอสมควรคือไม่ใช่ไปฟังตรงในตรงหนึ่งบางทีเนี่ยเป็นรูปวรรณคดีวันก่อนลูกศิเราเป็นด็อกเตอร์จะด้วยเป็นาธิการบดีบ่าวจะอะไรโอยมันเต็มทีจริงๆไอง มันบอกนี่เป็นไม่ได้ไงอาจารย์รโดยเฉพเป็ น, เ ป, นเป็นไม่ได้าไามอะไรแกอ่านประถมสมโพธิ์พยายามมอนี่เหยียบเท้าเหยียบอยู่ที่ที่ที่ ท, ท, ที่ตรงนี้อีกเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่ภูเขาวาสุเมร์มันใหญ่โตขนาดโอโตะเอนมั น, น, น, มนผัด ส, สาววรรณคดีเขาไปที่อ่านเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงแล้วมันไว้จะเป็นตัวเป็นต้นอะไรอย่างนั้นหรอกอันนี้คือเราเราไม่เข้าใจว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหผลทางประวัติศาสตร์ มันเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของปริศนาธรรมที่โบราณนั้นสอนว่าอยากกินมงคุดต้องเปลือกเพราะงั้นความรู้เราต้องรู้จริงแล้วก็ต้องสอดคล้องกันทั้งหมดกับในเรื่องของพระพุทธเจ้า เบอร์นี้หนันงสือจากไอซูซูกิญี่ปุ่นนะนะะชื่อมันยี่ห้อรถนะนปราฏญาญ่ปุ่นซูซูกิเนะพูดไปพูดมายัางไงมาพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมีลูกอีกอี ก, อ ก, อ ก, อกคนหนึ่งดูมดูแล้วเขียนเผยแพร่หนังสือเป็นเล่มมาเด็ดเนี่ยพโอ้เจ้าว่าหลังจากมีราหุลแล้วตอนตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีลูกอีกคนหนึ่ง มันคือสายมายาณพวกปัญญาภะกะวันดีเห็นว่าเป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจาปัญญาภะกวดัดีเป็นภาพที่เมืองไทยเราอันนี้คือมั่วมันก็ไปทำลายพวกตามสัพพัญยุตยานทำลายหลักการทางสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันหมดกิเลสนะฮะตรงนั้นหมดกิเลสแล้วมันไม่มีไม่มีกิเลสแล้ว เพราะงั้นถ้าถ้าถาเรานำมาเล่าเนี่ยนะหนังสือที่แรงบันดาลใจสูงมากแล้วก็เผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศโดยหนังสือหนังสือพุทธที่เผยแผ่ต่างประเทศแล้วก็หลังเข้ามาสู่พุทธศา ส, าสนา ม, นมีสามเล่มน่นะเล่มมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่เล่มหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่า The Life of Asia ของเสอ้อเอดวินอนโนต เป็นประวัติพระประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วดื่มด่ามากเลยนะอ่านแล้วก็เข้าสู่แดนเลยเข้าสู่แดนสุนทยาไปเลยคือเข้าไปอยู่แค่ก็เร า, าไปอยู่เคลื่อนไหวตัวอ่านงเงียบๆนะอ่านเงียบๆเรมาอ่านเวลนี้ที่จริงก็แปลมาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยก็มีจำํำนายที่ที่มังกรนะชื่อชื่อประเทศแหงทวีปเอเชียเจ้าลาวคนหนึ่งเป็นคนแปล อีเกเล่มหนึ่งเป็นคาถาทำบทสั้นๆเล่มเล็กๆพกใสก่กระเป๋าได้นี่มีแพร่หลายทั่ว Euro a, ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเยอะแยะหมดพี่ไม่รู้จะ ก, กี่ล้านเล่ ม, มนะฮะเป็นคาถาทำบทสั้นๆสี่400าาร้อยคาถาคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับสุภาษิตไอสุภาษิตอะมีสองบรรทัดมีสี่บรรทัดอย่างมากก็มี 12, 000, สิบสองบรรทัดส่วนให ญ, ญ่มันจะมีประมาณสี่บรรทัดเผยแพร่มาก กว้างขวางมากแล้วคนอ่านนะคือคนต่างชาติเขาอ่านตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้อ่านที่พระธรรมพุทธวัติเอ่อเดอะไลอ้อนเบเเซียอ่านที่พุะพุทธวัตรประวัติพระพุทธเจ้ามันเกิดสตาร์ในตัวพุทธคุณแต่ว่าตัวธรรมบทเนี่ยที่จริงอ่านที่ตัวธรรมะไม่ได้พัฒ น, นาพระคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าเพราะมันเกิดสตาร์เรื่มใส่อีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างซึ้งมาก คือปฏิสุทธิมักณนะวิสุทธิมักเป็นการเลื่อมใสระดับของนักประจาตักวิชาการทั้งหลายเพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากลึกซึ้งอันนี้ที่จริงเราไม่มีปัจจัยตัวอื่นนะครับไม่มีปัจจัยตัวอื่นไปเสริมเพียงแต่ว่าเขาได้อ่าน เขาได้อ่านเขาได้ฟังนะฮะในสมัยโบราณมันก็อ่านกับฟังแต่ว่าในปัจจุบันที่จริงมันก็มีอะไรเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้อยู่จก๊กทีนี้ปัญหาเรื่องความรู้วันก่อนเนี่ยไปที่สัมมานาน่ยนะฮะแต่มาขี้เกียจจริงมันมั น, มนคนมันเยอะหรือคนเนี้ยอยากจะขอลิขิตจะตัดดิล l i ต t l e บุ d d h าออกมาเป็นตอนๆเอาเฉพาะตอนด้เป็นพุตรวัิ แต่ไมไม่เอาตอนเอาเด็กสามคนนั้นออกไปแล้วก็บอกมันตรงเพีย้ยคือนี่แสดงว่าขาจะจจพุทธจำพุทธวรรติไม่ถูกเราจะเห็นว่าตรงนั้ น, นมดเทศเยอะเลยที่มั น, ท, มนที่มันทำออกมาน้มดเทศเยอะเลยไม่สอดคล้องกับความจริงตั้งหลายตอนแม้แต่ตอนเดินด้วยประบาดทอ่เจ็ดเก้า นะเราจะเห็นว่าดอกบัวผุดขึ้นทีหลังนะที่จริงมันต้องผุดรับไปก่อนเลยนะเราถึงจะนั่นนะนะแล้วก็นักบวชท่านปันเจ้าคีเป็นนักบวชประเภทภิกษุสะอาดสะอ้านนะฮะนักบวชประเภทภิกษุนีส่สะอาดสะอ้านปรากฏเป็นปัญเอานักบวชอาจารลกมาเล็บยาวผมยาวขี้ฟันเครือสกปรกมอมม า, ม า, มาหน้าขยะข ย, ยงไม่ใช่ฮนะก็จะแจ้งว่มามั่วหมดเลย แล้วพระพุทธเจ้าเป็นแขกขาวไอ้นี้เป็นแขกดําทั้งหมดเลยเห็น ไ, ไหมเป็นแขกดําทั้งหมดพระพุทเจ้าเป็นพวกอารยานันไอ้พวกนี้มันพวกมิละขะที่เอาที่เอามาแสดงเนี่ยแต่ละคนเป็นมิละขะนี่แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเยอะเลยแล้วก็ตอนตอนที่ลอยถาดตอนที่อะไรทั้งหมดเนี่ยคุณคุณคุ ณ, คณเห็นว่าผิดอย่างนั้นเลยลอยถาดก็ดี แล้วก็ตอนที่ที่บําเพนเพียรมีพญานาคมาคดีมันมั่วตอนพญานาคมาพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะตอนตอนได้งูมาแผลปกปกหัวเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยู่สัปดาห์ที่ทลายที่หกแล้วอยู่ที่ต้ น, ต, นต้นจิกชิวมุชลินไอนี่เป็นนั่งนิ่งนิ่งบําเพนเพียนอยู่แล้วปัญจวคีมานั่งอยู่ตรงนั้นแหละก็มีงูมาแผ่ ปัญญบกีไม่อยู่แล้วตอนนั้นปัญญบกีไปอยู่อีสิปัตนะมฤรทายาวันแล้วคือมันมันมันมันมันผิดจนแเละฮะผิดจนแเละหมดเลยแล้วคนไทยเอ้ยป่าเนี่มานังอ่านสิเอ้ยป่เนี่ยก็เชื่อกันได้ยังไงเนี่ยคนก็เอามาให้ดูระโวมันนีมันผิดพุทธประวัติมากมายมหาศาลเลยนะผิดประวัติศาสตร์ผิดตรงตรงนั้นต้องไม่มีคนนั้นถ้ามีคนนั้นก็แสดงความผิดอ่ะ สถานที่ตรงนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในตรงนี้อะไรต่อเลยแล้ว่ามาเราก็ต้องเล่าต้องต้องต้องแม่นน ะ, นะฮะจะต้องจบแม่แล้วถ้าเราได้อ่านแม่หนังสือที่ยังคน ท, ที่ที่ที่เมืองไทยเรานะฮะเมืองไทยเราคือคนรุ่นใหม่ที่อิสราเริ่อมใสในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเนี่ย มีสมัยหนึ่งท่านจะเห็นว่าลีลาวดีวีลาวดีของธรรมโคตรเป็นหนังสือที่ดึงโยชนเข้าสู่ศาสนาเยอะตต่ร่มผ้ากาสาวพัดนะกองทับธรรมเชิงภาอิมพานอะไรต่อะไรเนี่ยนะแต่และเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่พรรณาตรงนี้พรรณาพระพุทธคุณธรรมกุณสังฆกุลแต่พรรณาแบบง่าย ตมลึกไปเรื่อยๆ อ, อันตรงๆนะอธิบายตรงๆที่จริงค่อนข้างยากแนวตรงนี้ท่านท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างในสมัยโบราณพระเวลาจะขึ้นเทศจะเทศเรื่องอะไรก็ได้มันนีเหลวมันเป็นสูตรก็เรียกจารีตอย่างหนี้งจะต้องพัฒ น, นาพุทธคุณอย่างน้อยห้านาทีพุทธคุณก็ก่อนนะขึ้นพุทธคุณนะก่อน แล้วก็เสร็จแล้วจะขึ้นเรื่องที่เทิเป็นการเพิ่มพูนสถาปสาาัสฐานแล้วเราเรา ม, มีวิธีฝึกใจจนขนาดว่าก่อนตายก็ภาวนาพุทโธอารหังกันแล้วกันเนี่ยนะก่อนตายก็อาระหังพุทโธนะฮะอาระหังกับพุทโธเนี่ยะสวดอิทธิปิโสให้ฟังก่อนจะตายเนี่ยมีญาติพี่น้องมาสวดอิตธิปิโสให้ฟังสวดอิติปิโสเข้าหูไปเรื่อยๆนะฮะ ให้จิตใจมันจดจอ่ออยู่ที่บทอิติปิโสเหราะนเราจะเห็นว่าคนสมัยโบราณจึงฝึกเรื่องอิติปิโสอย่างหน้าซึ่งเอามาเองทําไม่ได้หรือมันอิติปิโสก็รอบอิติปิโสถอยหลังอิติปิโสแปดทิศสวดอิติปิโสดุ่งหมดอะความจําดีมากสมาธิดีมากฝึกฝึกมาอย่างดีทําเป็นวงกลมมันนะอิติปิโสแปดทิศที่ทําเป็นวงกลม คือคือเอาคำทั้งทั้งทั้งหมดของอิติปิโส อ, อิติปิโสในทีละคำอย่างเงี้ยมาเรียงสลับควาสลับเป็นเยอแยะไปเลยเป็นตํานาเป็นคาถาหานุมานคลุกฝุ่นก็คาถาอิติปิโสนะฮนุมานคลุกฝุ่นยิง่งตียิ่งขึ้นนะี่ยนะฮะฮนุมานคลุกฝุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ ต, ตีทีเดียวก็ล้มอย่าไปซ้ำนะถ้าซ้ําตายเลยมันลุกขึ้นมาตีทีนี้เอามาอยู่อ่ะมันขึ้นคาถาอานุมานคลุกฝุ่นก็ก็เนี่ยมันก็ขึ้นมาจากอิติปิโสัต่นั้นเลย แต่เราก็ใช้ไปในแนวในแนวหลายๆแนวนะแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าเน้นที่แนวจะนำไปสู่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็น้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติคือว่าอย่างน้อยในทราบซึ้งในปุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามที่จะปฏิบัติตนตามแบบพระพุทธเจ้า เ, เรื่องต้องอดทนน้อพระพุทธเจ้าทนมากกว่านี้เราต้องทนให้ได้เรารู้ตส่าห์พระพุทธเจ้าเอเรื่องต้องเพียรพระพเจ้าเพียรมากกว่านี้ไหว้น้ำไม่เห็นฟังอย่างไหว้ไม่อยู่เลยเอยเราต้องทําให้ได้เลย ม, ม, มันมันมันจะเอาแบบก็เรียกว่าทิฏฐานุคติหมายความว่าเอาแบบของพระพุทธเจ้าเป็นทางดําเนินชีวิตเรียนแบบเหมือนกับเราเรียนแบบประวัติของคนสําคัญทั้งหลายนะประวัติวีระปุรุษประวัตินักปราชญ์และใจเนี่ย เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนดีๆเหล่านั้นมีคนถ่ายทอดปุกลิกไว้ใครมีความทรบซึ้งตรงไหนก็จะถ่ายทอดตรงนั้นเอาไว้แต่คนละอย่างสองอย่างนะฮะสิ่งล่านั้นก็เหลืออยู่แล้วก็อยู่ที่ค น, ก, นกระจายออกไปถ้าให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือการสวดนะฮะการสวดสวดเพื่อเกิดความสงบ โดยเห็นว่าวิธีการสวดมนต์นั้นที่จริงเป็นวิธีที่มีทุกทุกส่วนของโลกทุกศาสนาเป็นวิธีบังคับฝึกใจเพราะว่าเาช่วยกันหลายคนเลยนะช่วยช่วกันหลายคนใจเราคิดถึงบทที่ราสวดปากเราเปล่งถึงบทที่รสวดหูเราฟังบทที่สวดเห็นนะใจกายมันก็สุดจริตใจกายจะสุดจริต เพราะว่าไปรำลึกถึงสิ่งที่ลำลึกแล้วนี่มันเกิดสัทธาเรื่องสใแนวสวดมนต์จึงเป็นแนวเป็นแนวหนึ่งนะในแรกแรกในะนต้นๆเนี่ยที่ทำให้เกิดความสงบแล้วแนวที่สองก็คือแนวที่เราเออกมาเจริญกรรมฐานแนวภาวนาพุทโธธรมโมสัสงโฆอะไรตเนร่แนวภาวนา แนวที่สามก็คือแนวนำมาคิดนำมาคิดอาจจะอ่านก่อนก็ได้นะอ่านก่อนแล้วคิดแล้วจินตน า, าการต่อเนีย่ยนะแล้คิดคิดไปจนถึงว่าเราเองเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นไปนั่งอยู่ด้วยพุทธเจ้าเทศแสดงประถมเทศนาเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยอะไรมันจะคิดมีลนลักษณะอย่างนั้นคือหมายความมันต้องมีจินตนาการาจินตนาการเข้าร่วม แล้วมันจะเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆอีกเป็นต้มไปเพราะว่าในในความเป็นพระพุทธเจ้าว่าประทับยืนเนี่ยท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าประทับยืนมันมีเวลามันมีสถานที่มันมีสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้ามันก็มีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองมีการศาสนามีศิลปะมีวัฒนธรรมมีการศึกษามีความเชื่อมีลัชีกขนบปังมันมหาศาลเลยคำว่าประวัติศาสตร์อ่ะ เราใช้คำคำเดียวว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคำอยู่เบื้องหลังตุนนั้นมหศาศาลแล้วจะทำให้เราเกิดทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่สามารถสร้างาศาสนาในถ้ำกลางคนซึ่งมีนักปราดมหาศาลเราอย่าลืมนะว่านักปราทางังจิตเวลานี้โลกไม่มีใครสู้อินเดียได้จนเดี๋ยวนี้นะ โลกไม่มีใครเค ย, เค ย, เ, คยเคยมีไอพัฒนาการทางกิตขึ้นสูงเท่ากับคนอินเดียคนอารยันนะนะคนอินเดียคนชมพูทวีปอะเวลานี้ก็ยังสู้เขาไม่ได้นะฮะเวเนี่ยเพียงแต่ว่าหลักหลักธรรมมันกระจายออกไปเช่นสมมติว่าปฏิบัติโดยคนไทยก็ที่จริงก็มาจากนั้นแต่เราจะได้อินเดียมันก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามันใช่อินเดียหรอก อินเดียโมเมเอาพระเจ้าประสูติในปานพรเจ้าเป็นเป็นอารยาันอินเดียมั่วๆอุวันมรุมร ก, กี่พอพันแต่สรุปว่าที่ที่ด้านนที่ชมมูทวีเกล็กแล้วเราจะจะเกิดความความประทับใจความภาคภูมิใจที่เรามีาศาสดาสามารถที่จะท้าทายกระแสของโลก ล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้แก่โลกได้อย่างถูกต้องชัดเจนวิทยาศาสตร์ริ่งเจริญเท่าไหร่เราไม่กลัวความเจริญของวิทยาศาสตรา์ศาสนาพูทนี่ไม่เคยกลัวเลยเขาให้เจริญมาเลยเจริญยังไงก็ได้แล้วก็เธอเข้าไปนั่งนั่งสมาธิเข้าห้องแล็บเข้าวิจัยอะไรแต่ไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเ ว, เวลานี้งานใหญ่ๆเนี่ยนักนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้สมาธิช่วยแล้ว สมาธิคิดอะไรคิดจะทําอะไรเนี่ยอย่ า, างวันก่อนที่คุยกับคนที่ทายานาวกาศคนหนึ่ ง, งนะฮะก็เล่าฟังว่ามันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกว่าตรงนี้มันจะทําอะไรใช้วัสดุอะไรแล้วจะรูปร่างลักษณะยังไงนั่งสมาธินั้นสมาธิกําหนดดูว่าตรงนั้นมันควรจะมีอะไรก็มีสิ่งเป็นนิมิตมันเกิดขึ้นใน ห, หินแล้วก็ทำตามนั้นนั่นก็นได้ นี่คือความอัศจรรย์อัศจรรย์ของของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้จดสจะรูมาแต่ตรงนี้ต้องต้องต้อ ง, องเอามาคิดเนี่ยนะฮะต้องมาคิดประการที่ค่อนข้างสาคัญคือเห็นจริงๆสัมผัสได้จริงๆคือต้องลงมือประพฤติปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติตามตามรออยู่คนบาทของพระพุทธเจ้า เราควจะทำให้สมบูรณ์รคงไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าท่านยังไงให้มันมันสัมผัสสัมผัสได้ลึกๆหน่อยเช็นว่าพระเจ้าทำลายกรรมแห่งสังสารวัฏกอวิชาตันหาอุปอาทานอกิเลสเนี่ยทำลายทำยังไงอย่าให้ตกอำนาจภายใต้อานาจกิเลสมากเกินไปเรื่องเยอะคนอื่นก็เกิดตันหากันเราไม่เกิด เรื่องเยอะแต่คนอื่นเกิอดอุปาทานเราไม่เกิดแล้วท่านตั้งหลายจะเห็นภาพว่าดูเพษาอูไดนเห็นไหมในแวดวงคนที่วุ่นด้วยความโลภในเพซาอูเดี๋ยวนี้เดือดร้อนกันหมดเลยก็ทื้นกันหมดเมื่อคือนท่านนายกรูมาทางโทรทัศน์อีกละหรือก็ให้เวลานะที่จริงกอนข้างจะรู้กันเนี่ยอยู่ที่ใครอะแต่ทีนี้ถ้าจับมันกะเทือนมากนะ ก็คูไปให้ส่งไปเส น, นีส่งพัสดุอะไรแต่ไรไปเนี่ยทำทำยังไงมันไม่เหมือนปืนเลยนะครับแต่เขาเองก็จิตใจมันจะไปนั้นเราเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นถ้าเรารู้ข่าวเราโลภวยเราวิ่งเข้าไปติดต่อคนนั้นคนนี้เขดูกข็ชมแล้วก็บางทีก็ยุ่งอยู่จุกตรงวันนี่นะ นั่นคือเห็นในชัดว่าเห็นความสวัสดีที่เราไม่รู้แกอำนาจของตัญหาซึ่งคนอื่นเขาเกิดแล้วเราไม่เกิดในขณะนั้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมกระทําความผิดในขณะนั้นเห็นในชัดเลยนะเวลาเนี้ยเรามองเห็นความบริสุทธิ์ของเราเองแต่เราอยู่ตรงนั้นด้วยก็คงจะไม่สงบนะไม่สงบแล้วลูกลูกหลานเองก็สะดุ้งนะลูกหลาเองก็สะดุ้งอาสงสารเด็กเดี๋ยวนี้สงสารเด็ก อย่งวันก่อนที่ที่ที่ที่เราเราอ่านอะไรพิยาพง์ผิวอ่อนอ่ะที่ที่เขาถูกหาล้มบอนที่อะไรมาเลอะไรมาเลสอิดนีเสียอะไรลืมแล้วนะฮะประเด็นที่สําคัญเรามันก็ติดใจตรงนั้นอ่ะติดใจตรงที่ว่าลูกเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนพอโผลพวกก็ไปเพิ่งชีนะ้หน้าพ่อมึงล้มบอลพ่อมึงล้ อ, บอมอบอลเด็กร้องไห้วิ่งกลั บ, บานไปโรงเรียนไม่ได้โอ้โหมันฆ่าเด็กนะียสังคมนี้หาดูโหดมากเลย ตั้งโกมาดโหดมากเด็กไม่รู้หนอยเนนะฮะพลอยรับบาปไปด้วยองศาขนาดยาติลอยเดือดร้อนตามไปด้วยแต่จริงเพจยังไม่รู้นะฮะแต่สังคมพิภาคษาเพราะฉะั้นสิ่งที่ น, น่ากลัวเบืนี้คือการพิภาคษาของสังคมสังคมที่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรนะใะจอัตติว่าเฮโลสลาพาพิภากษาเพื่อนไปน่ากลัวกว่าสาพิภากษานะฮะ พอสามพิภาคามันประเดี๋ยวก็ออกมาได้แต่สังคมภาคามันลำปากมากเพรสังคมไม่มีเหตุผลอะไรสังคมปฏิภากษามันไปดีๆเพราะหลักตรงนี้ถ้าหากว่าเราพยายามตามรอยพระยุคุณบาตของพระพุทธเจา้าคือไม่ปล่อยให้ตัณหามากไปไม่ปล่อยให้อุปาทานมากไปก็ไม่ปล่อยให้ การ ป, รปฏิบัติบัิบักของเรารุนแรงนะฮะเดือนหน้าของความโรคปวดหลงพูดง่า ย, ยางั้นนะโรคปวดหลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าแ ท, แ ท, แท้ๆก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแนวตรงนี้ที่ท่านบอกว่าผู้ศรัทธาผู้ยังไม่ศรัทธ า, าเลื่อมใสจะศรัทธาเลื่อมใสผู้ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วจะศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น นานมาแล้วได้เคยเล่าให้ฟัาไปคุยกับคนคนหนึ่งนะ่ะแกก็จนจนจ น, นะนะจนจนนะแล้วก็มีพระพุทธรูปเทมมาลาที่ที่วัดโรรมาธาตุนะฮะไปเข้าฝันไปเข้าฝันว่าให้ช่วยมาซ่อมหลังคาหน่อยฝนตรกรั่วมันเปียกฝนแกก็ไปซ่อมมันนึกว่าเราก็จนแต่พระมหาเรา สแสดงว่าเคยทําบุญมานะฮะแกก็ซ่อมซ่อมไปก็พ อ, อ, อกันผลได้นะต่อมามันออกมาในรูปการทํามากินแกค้าขายข้าวสารเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแกแล้วขายข้าวสารทีละลิตรทีละอะไรเนี่ยนิดอะก็อยู่กันได้สงคนผัวเมียแต่ต่อมานี่คนจะซื้อข้าวสารมาซื้อที่แกจมขายส่งเที่มาเจอแกใ น, นตอนขายส่ง ครัส่งแล้วก็มังไปสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์แล้วถามว่าโยมไม่ไม่ไม่กลัวจนเหรอไปทําบุญรุนแรงอย่างเงี้ยมากเหลือเกินแกทํามากลเลยแกบอกไม่ต้องกลัวทํามามาเองฮะนั่นคือคนที่สัมผัสตรงเขาไม่กลัวเก็ไม่กลัวเพราะว่าบุญเนี่ย ย, ยิ่งทํา ย, ยิ่งมาบุญ ย, ยิ่งทํา ย, ยิ่งเกิดนะแต่ต้องฉลาดทํานะฮะ ย, ยิ่งทํา ย, ยิ่งเกิด เพียงเพียงมีข้อแม้อยู่ในเงื่อนไขของเจตนานะเจตนาเรื่องศรัทธาเรื่องกำังทราบกำังศรัทธาเจตนาก่อนให้ขณนะให้หละให้อันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขของการให้ทานแต่สรุปว่าคนที่เข้าสัมผัสตรงเนี่ยเขาจะเพียรพยายามมากิขึ้นๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง วพราแนวเราจะเห็นว่าแนวธรรมะปฏิบัติในทางศาสนามันแนวชิมไปเรื่อยๆนะฮะแนวกินไปเรื่อยๆชิมความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจะอยู่ระดับศีลมันก็สงบเวรไภัยได้ขนาดเนี้ยแต่ไปสมาธิมันจะขนาดไหนลองขยับไปสมาธิดูมันก็สงบไปได้เต้ๆโรก็กระตือรือร้นไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มบรรลุก็แกวนไงนะฮะโดนแขวงอยู่ การต่อไปคือให้เราลึกถึงคุณพระธรรมคุณพระธรรมที่เราสวดนี่แหละฮะที่เราสวดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานไปไนที่บ้านคนทางบ้านเขามาแั่งตัวเป็นหลักเป็นฐานขอให้ช่วยไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ให้เขาหน่อยแต่ที่จริงที่จริงเบื่อจังแรงงานไอ้พวกเนี่ยมันเสียเวลาเยอะนะฮะแ้วก็ไปให้เขา คือไว้ชอบใจที่ญาติโยมตรงนั้นก็สวดมนต์ได้พร้อมกันหมดเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากในประเทศไทยเราเนี่ยท่านทัง้งหลายเราสังเกตว่าคนไทยทุกภาคเนี่ยให้มานั่งสวดมนต์ด้วยกันเนี่ยบทต้นๆ้นนีจะสวดไม่ล้กันหรอกถ้าสวดแปลด้วยนะฮะเพราะต่างคนต่างว่าต่างคนต่างแปลกันมาภาคใต้าจากชุมพร ล, ลงไปถึงปัตตานีในานราณราี่วสวดได้เหมือนกันหมดเลย เป็นเรื่องแปลกมากแต่วลานะีเ้เปลี่ยนแล้วนะเวลานี้เปลี่ยนไปเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาตท่านเกิดไปแปลขึ้นมาอีกแนวหนึ่งแล้วก็ของท่านก็พิมพ์เผยแพร่อยู่เรื่อยของคนอื่นไม่ได้เผยแพร่แล้วของเก่าไม่ได้เผยแพร่แล้วเพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะจาแม่นมาสวดพร้อมกันขึ้นพร้อมกั น, นมายัางมามาอยู่นี่นานแล้วก็สวดไม่ค่อยได้แล้วนะแตกก่วันก็ก็นั่งฟังมาว่าเออเอ อ, เ อ, อไม่เบามานะ คนเาคนแก่คนคนหนึ่งคนแก่คนห น, นึ่งอายุเจ็ดสิบแปดบเจ็ดแล้วนะแปสเจ็ดยังสวดแปน้นนั้นก็เด็กๆลดละนงมาสวดได้พร้อมกันหมดเลยนั่นเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่เขินเวลาไปสวดมนต์อะไรด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างจำกับตัวเองมาถึงสวดแม้ปุณยสิดาเนี่ฮที่เราสวด จะเห็นว่าอย่างอย่างในวัตรวรก็แปลวัตรวรไปถึงที่แห่งเอาแปลอีกเรื่องนะครับชอบแปลนะเขาไม่แปลตามปกติเขาไม่แปลบุรพาจารย์แปลว่ายังไงต้องแปลว่าอย่างนั้นเลยไม่งั้นยุ่งกันหมดมารุสกิตํานาแต่ว่าตัวบาลีเนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะแต่ตัวบาลีเนี่ยไม่แปลเพราะในธรรมคุณเนี่ยที่เราใช้จริงๆเราใช้ที่เขาแปลอยู่ในในหนังสือหลักสูตรนะั เลยถ้าคนที่เคารพผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่แปรเพิ่มเขายังไม่แปกรกลัวจะกลัวจะข้าใจผิดนอกจากอธิบาย น, น, นอกจากอธิบายตรงนี้ก็แนวเดียวกันหมายความว่าเราก็สวดเนี่ยสวั์าโตวาตโโมสันติโกกาลิโกอีปัสติโกปักจตงังวรุ โ, โ, โเนี่ยในการสวดก็คือการสวดการเอามาภาวนา ธมโมธโมอะไรก็ก็ก็ที่จริงเน่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นธรรมานุสติแต่ประการสำคัญคือต้องคิดต้องคิดธรรมะคือธรรมะเนี่ยอยู่ที่คิดยิ่งคิดยิ่งยิ่งยิ่งเห็นยิ่งเห็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดความสะท้านดื่มด่ําในพระคุณของพระองค์อย่างที่บอกไว้นะฮะว่า บังวแผนจะขยายขยายธรรมจักกวตนาสูตรอธิบายขยายธรรมจักกวตนาสูตรแต่จะภูมิหลังเราจะเห็นว่าธรรมจักรวัตนะสูตรเป็นวระสูตรที่แปลกขึ้นมาถึงเทเวเมพิกเวเลยมันมีอยู่วระสูตรแบบนี้วิสูตรทั้งหลายทางสองทางบุงคลไม่ควรเสพคือการมาสุการนิการนโยกอตติกามฐ า, านยโยกแล้วก็จงชี้โทษให้ดู ก็คือแนวอะไรฮะที่จริงก็คือแนวก็เรียกว่าจิตนิยมกับวัตถุนิยมซึ่งมันเป็นยุคที่ต่อสู้กันแรงในยุคนั้นแล้วก็ยุคของวัตถุนิยมก็แรงนะครับก็ยุคนี้นะยุคนี้ยุกวัตถุนิยมแรงมากแรงจนจนน่ากลัวจนน่ากลัวว่าเป็นสังคมบริโภคแล้วคนจะวิ่งเต้น เพื่อตอบสนองความอยากแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถูกชิงคือคนที่อ่อน้อยโอกาสนีจะถูกชิงจะไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีใช่ปัญหาเรื่องที่อยู่ที่กินปัญหาเรื่องการสัากการที่เรียนปัญหาเรื่องเงินทองปัญหาเรื่องงานทําปัญหาเรื่องอะไรจะตามมานะฮะคนชวนก็คุณชวนเดือดสิบชวนก็แก้ไม่ได้หรอกมันเป็นกระแสสังคมที่มาแรงมาก แข่งกันกินแข่งกันกินเป็นสังคมที่ถูกปลุกร้าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินตัวมันก่อนฟังอะไรอะอะไร s p อะไระเป็นชื่อร้านอาหารนี่เลแล้วก็เราลุกไปเช้าไปถามเด็กดูมันเป็นยงไงนี่เขาก็บอกว่าไอ้เค้กอันหนึ่งเด็กกินคนเดียวไม่อิ่มราคาสี่สิบแปดบาทเด็กกินคนเดียวไม่อิ่มต้องซื้อสองชิ้นจึงจะอิ่มแล้วก็ตายแน่นะ ตายแน่เลยฮะ96บาทเด็กอายุ 4-5 ขวบกินแคกทีเดียว 50, 96บาทน่นก็เสียวเลยนะฮะนี่คือคือคื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่าเป็นการเป็นทั้งคมของวัตถุนิยมไปให้ความสงคัญแก่การกินการอยู่นะการบริโภคเราบำรุงบำาเรอกันฮะบำรุงบำาเลอ ร, รอตัวเองกันเรานั่งดูรถคันละสิบกว่าล้าน แล้วมาจอดอย่ริมถนนบอกไอ้คนนี้มันเก่งเอาเงินตั้งสิบกว่าล้านมาวางไว้ริมถนนเออถ้าซื้อที่ดงที่ดินอะไรเนะ่ยมันก็น่าดูเอารถตั้งสิบกว่าล้านอนะ่ะเอามาวางไว้ริมถนนได้เชียเด็กดูด้วยนะฮะบอกนี่ดูเห็นมันสิบกว่าล้านเอามาวางทิ้งไว้เฉยๆคนเพราะงั้นตรงเนี้ยเราเราเราจะเห็นในในธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดง ว่าที่สิ่งที่ทรงแสดงนั้นไม่ได้ตามใจไม่ได้ตกไปทั้งจิตนิยมและวัตถุนิยมแต่ว่าจะเป็นนายตัววัตถุแล้วก็เป็นนายจิตเห็นไหมฮะจิตนิยมมันเป็นธาตุจิตวัตถุนิยมเป็นธาตุวัต ถ, มมถุสยบกับวัตถุมันทำชั่วเพื่อได้วัตถุทำชั่วเพื่อตามใจจิตของการจิตอิสระทรมานตัวเลย เอาทรมาตัวขุดหลุ่มฝังตัวเอามือมากำไว้จนเล็บทะลุอะไรอย่างที่ทำกับพวกแขกก็ทำเลยนะฮะพวกจิตจะในจบคือเป็นธาตุจิตจิตต้องการยังไงก็ทำแต่ของพระเจ้านั้นเป็นนายจิตแล้วก็เป็นนายวัตถุสอนให้เราอิสระจากวัตถุอิสระจากจิตแต่ต้องมีทั้งจิตทั้งวัตถุเพียงแต่เราเป็นนายมันนะฮะแต่นี่จะให้มันเป็นนายเรา วัตถุยั่ยวนยังไงก็ตามนะฮะฉันเห็นว่าเธอไปเป็นประโยชน์ฉันก็ไม่สนใจแต่เราไม่สอนให้ทําลายวัตถุนั่นคือแนวพระพุทธเจ้าเห็นนะสอนไม่ให้ทําลายวัตถุเพราะวัตถุนั้นเป็นซ้ำถ้าของคนอื่นเราทําลายไม่ได้แต่ของเราก็ทําลายทําไมเราให้คนอื่นก็ดีนั่นคือคือแนวหลักที่ถ้าเราถ้าเราคิดแล้วมันยิ่งซึ้งมากๆนะคิดจะคาคําเดียวนะ คิดจะคาคําเดียวนี่จะซึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีระรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นนักคิดธรรมะชั้นเยี่ยมมากเลยนะคิดธรรมะลึกซึ้งมากสมเด็จพระสังฆราชองคปัจจุบันก็เป็นนักคิดคิดคนธรรมะยังไม่เลิกนะทุกวันในประชนขนาดนี้อย่างคนธรรมะคิดธรรมมันได้ความสงบได้ความรู้ได้ศรัทธาได้ได้ปัสสะทะคือความผ่องใสภายใน เมื่อเรานำมาคิดดูจะว่าที่ยกยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยฮะยกตัวอย่างง่ายเราเข้าเข้าใจว่าโลกวัฏิมการเมตตาเอาเมตตาเป็นธรรมคำอยู่โลกลองคิดดูเถคิดดูว่าถ้ามีเมตตามันขยายไปเลื่อยๆมันจะเป็นยังไงมรรคมันจะเป็นไงถ้าไม่มีอ่ะตอนนี้เราคนสองคนเนี่ยไม่มีเมตตาอะไรเลยมันจะเป็นยังไงมึงโอ้โหนี่มีคําสอนทั้งข้อเดียวตอนนั้นเองเไย คำสอนนะั้นคำเดียวเท่านั้นเองเต็มสาวมาที่จะปกป้องรักษาโลกไว้ได้ทั้งโลกเลยขอเพียงชาวโลกมีน้ำใจเมตตาต่อกันเท่านั้นเองขอคุ้มครองรักษาโลกได้แล้วเราก็ศรัทธาเลื่อมใ ส, ใ น, ส, ใ, สในพระเจ้าศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมตัวคำสอนเมตตาคำเดียวเมตตาคำเดียวนิดเยแต่พอ ป, ปฏิบัติไปแล้วอํานวยผลอย่างนั้นเราจะเลื่อมใสหรือจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วจะอยากจะเป็นอย่างนั้น อยากจะเป็นคนมีเมตตานะเหมือนกับเด็กๆ เ, เราจะเห็นว่าแก่ประทับใจในหมอแกก็อยากเป็นหมอประทับใจทหารก็อยากเป็นทหารนองจับตัวเปรี้ ย, ยวๆมันถามดูแต่ละแล้วเวลาโตขึ้นมาแกก็ประทับใจอย่างอืงอน่นแกก็เปลี่ยนแกเลยนะจนว่าอะไรที่แกประทับใจจริงๆแกก็เลือกตัวนั้นนะนั้นคืนนี้คือสร้างความประทับใจสร้างจุดประทับใจสร้างความตึงตราขึ้นภายใน ใ, นใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส หรือรลึกถึงคุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์นั้นประเด็นที่สำคัญอย่างอย่างที่มาบอกว่ามาเป็นห่วงชาวบ้านเพราะชาวบ้านคิดว่าพระคือพระพุทธศาสนาพระสงฆ์คือพุทธศาสนาพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านอายุรุ่นราวคาเดียกับท่านทั้งหลายนี่แหละอย่างก็ท่านในที่นี้อายุ ก, ก็ใกล้กล้กมา ก, ก็หลายคนอายุเท่ากันก็หลายคนก็ก็เหมือนกันนั่นแหละฮะ เพียงแต่ว่าเราเข้ามาอยู่ในกรอบมีกฎเกณฑ์บังคับเงื่อนไขให้ฝึกมากขึ้นแต่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บหรอกก็ฝึกกันไปนะะได้บางไม่ได้บ้างเยอะร่วงหล่นไปจากทำมินาย น, นี่เยอะแยะไปหมดแต่แต่ในทำมินัย น, นี้อย่าลืมนะว่ามันเหมือนกับมหาสมุทรสิ่งโสการ์โปรตกลงไปไปเดี๋ยวซัดขึ้นฝั่งหมดนะแ้ามาอยู่ริมดูริมทะเลก็นเลยกัน เห็นไมมของที่อยู่ในทะเลพักเดียวมันซัดขึ้นฝั่งอะฮะเพราะว่าเวลาอยู่ในทะเลเราไม่ต้องเดือดร้อนหรอกทะเลมันซัดเองทะเลมันซัด ข, ขึ้นฝั่งเองทะเลก็ชำรากเขาอะฮะไม่รั่วศกเสร็อะไรประเดีย๋ยวก็ลอยขึ้นฝั่งซัดพักเดียวในเงาเขาจะไม่ไหวศาสนาจะมีรัฐสไตร์งั้นคนที่มีสาระก็จะอยู่ได้คนที่ไม่มีสาระก็จะออกไป แล้วอย่าลืมว่าเป็นเรื่องผู้พยายามปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้ดีเพื่อปฏิบัติให้ตรงเพื่อปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้สมควรไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วปฏิบัติสมควรแล้วนั่นคือพระอริยะยาดีดังจาตาริเห็นไหมเราบอกญาดีดังจาตารินี่คือใครจตาริปุริจการนี่คู่แห่งบรุรุษีอัฐาบริสุภกลาบุรุษบุคคลเปติวัตแล้วนะมันมันมันคือพระยาบุคคล มันไม่ใช่พระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ทัไปยังไม่แล้วเรากำลังปฏิบัติยังไม่ถึงยังปฏิบัติอยูอ่ยังเดินทางอยู่วันเวลาพระสงฆ์ทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้มองวันแล้วแต่ให้มองโดยเมตตาเห็นไหมในทิศหกให้มีเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวิกราณเมตตาทางมนกรรมทิศหกสอนชาวบ้านไหข้อ ทำอะไรก็พระไว้ทำด้วยเมตตาพูดอะไรก็พระไว้พูดด้วยเมตตาคิดอะไรก็พระไวคิดด้วยเมตตานะแล้วก็ยินดีสนับสนุนด้วยจตุปัจจัยทางธรรมตามที่เราจะสนับสนุนได้แล้วก็ทวดทันมหาเยื่ยมเยือนนะก็ยินดีจะต้อนรับอาหุนโยปหุนโยนะเห็นไหมฮะพูดเฉพาะอาหุนโยปหุนโยแต่ไม่ได้พูดเอาไอ้อัญเชิญกานโยไอ้ทักทินน้งโยอะไรไม่ไม่บา ง, งนะานั้นเป็นเป็นเรื่องเราต้องพิจารณาอีก ทีนี้ถ้าถ้าเราพิจารณาตรงนั้นแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวใครจะบอกกระเบนตีลังกาอะไรก็ตามนะครับเเห็นว่าเวลานี้สังคมไทยเนี่ยมันคนยากจนเนี่ยมันเยอะคนรวยมันมันวิ่งหนีคนจนคนปลอมบวชในกรุงเทพเนี่ยมีถามมาเท่าไหร่นะมีเป็นร้อยๆเลยถามาทํายังไงเอาไปยิงป้าเลยย่อมไปไหนอะเออมันตัดไม่ตายขายไม่คาด มันรบกวนภัยมันจะเอาไปไหนอะ่ะจับแกแกก็ไปสร้างปัญหาอยู่นั่นแหละนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้มันเป็นวงจรอย่างพี่จิ๋วบอกวงจรอุบาทมันเป็นบุญอย่างเงี้ยเทมาเคยบอกที่กรมประชาสงเคราะห์ไทยบอกคุณแก้ปัญหาโสมเป็นอย่างเงี้ยแก้อย่างเงี้ยอุปมาแรงนะวันนั้นอุบมาแรงเบาเหมือนหมากะถังตัวเอง มันหมุนอย่างเงี้ยหมุนเนี้ยหมากัดหางตัวเองเลยนะกัดไม่ได้ทันทีมันแค่ไม่ได้เพราะเราต้องแก้ที่โง่เราต้องติดอาวุธปัญญาให้เขาแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบครอบครัวจะต้องสร้างลูกให้ติดอาวุธปัญญาให้ลูกอ่าก็มีปัญหาอีกอะครอบครัวก็มีปัญหาเพราะงั้นตรงนี้เราต้องมองด้วยความเข้าใจเลยว่า ลณะนะความไม่ดีของพระนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหละสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสมัยปัจจุบันดีไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็จริงนะฮะแต่ว่าเลวไม่ถึงสมัยพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะพระสมัยนี้เลวไม่ถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าเลวขนาดขึ้นภูเขากลิ้งหินทับาศาสดาตัวเองนะเล่นๆนะชั่วขนาดไหนล่ะ พระเทวัติได้ขึ้นภูเขากรี๊งหินลงมาท้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินกับพระสงฆ์น ะ, สะเสด็จไปขึ้นมากับพระสงฆ์ขึ้นภูเขา พ, พิชกุลพิชกุลเป็นแถวขึ้นไปท่านกรี๊งหินลงมาได้งไงพระสมัยนี้นมีไหมไม่มี่ยไม่ว่าจะโยนลูกระเบิดอะไรสักสมัยนั้นพปฏิวัติได้มีลูกระเบิดไม่แน่โยนลูกระเบิดก็ได้ <S <S 2> <S 2> เพราะงั้นเรื่องคนเลวคือเรื่องคนเลวเราไม่ได้ไประลึลกถึง แต่เราลึกถึงท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนะฮะแล้วเมื่อเราเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ของท่านเราก็ถือว่าท่านน่ยเป็นผู้ควรคำนับควรรอนรับคนรทำบุญบุญประดรมมือไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าเรายังไม่เห็นก็ยอย่าไหว้ก็ไม่ไม่ได้คือว่าวัตถุประสงค์ที่เขาสอนรพระพระไม่ได้บวชเพื่อให้ใครไหว้นะฮะสอนมาเลยรู้ว่าเจ้าสอนไม่ได้ไไดบวชเพื่อลาบสักการะชื่อเสียงเพื่อเป็นที่ยกจ่องของคนทั้งหลาย นะฮด้เราบวชเพื่อสำรวมเพื่อระวังเพื่อลดเพื่อละปฏิบัติขัดเก้าตัวเองแต่ชาวบ้านเห็นว่าดีก็กว่ไม่ดีก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ไม่ได้มีใครได้อะไรนะที่จริงโยมไหว้พระก็ไม่ได้อะไรอโยมก็ได้บุญโยมก็ได้บุญก็เห็นว่าเออพระองคเนี้ยเราก็ทําใจเลื่อมใสแล้วก็ไหวอันนี้คือคือสิ่งที่ ถ้าเราเมตตาหวังดีกับใครเนี่ยพระเจ้าสอนว่าให้เชิญชวนชักชวนก็ทำใจเรื่อมใสในประัชนาใจแล้วต่อไปมันเป็นฐานใจที่จะนำให้เราพัฒนาการเกิดขึ้นในด้านต่างๆสม ว, วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นตน้นนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งองงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสชาชนทั้งหลายโดยตทกันทุกท่านถือ